และด้วยชั้นฟ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันและด้วยพันดินและที่พระองค์ทรงแผ่มันและด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์และพระองค์ทรงดลใจให้มันรู้ทางชั่ว และเเกกิดความยงน่นอนผู้ขัดเกลาวชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จและแน่นอนผู้หมกมุ่นด้วยการทำชั่วย่อมล้มเหลวพวกสมุตรได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขต เมื่อคนเลวสามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปข่าอูตัวเมียแล้วรอสูลของอัลลอฮ์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูดของอัลลอฮและอย่าขัดขวางการดื่มของมัน